จเจริญพท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นมนาคมารที่13เมษายนพุทธศักราช2553เป็นวันสงกรานต์เป็นวันแสดงความกตัญญู กตเวทีด้วยการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนอุศนให้แก่ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ร่วงรับไปแล้วส่วนท่านผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เราก็ไปกราบไหว้ขอพร ล, ลดน้ำเพื่อเป็นการแสดงความคารวบบูชายกย่องเทิดทูน ถ้ามีอะไรที่เราพอที่จะให้ท่านได้เราก็เอาไปให้ท่านด้วยจะเป็นเงินทองก็ได้จะเป็นข้าวของก็ได้หรือจะเป็นการรับใช้ท่านก็ได้เช่นวันนี้ท่านอยากจะไปไหนเราก็พาท่านไปนี่คือการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นพื้นฐานของความดีทั้งหลายคนเราจะเรียกว่าตัวเราดีได้หรือไม่ก็ต้องดูว่าเรามีความกตัญญูกตวเวทีหรือไม่เรามีความสำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณและแสดงตอบแทนบุญคุณแก่ท่านหรือไม่ถ้าเราไม่มี ต่อให้เรายกย่องตัวเราเองว่าดีอย่างไรก็ตามแต่ในทางหลักของความจริงนั้นเรายังไม่ใช่เป็นคนดีที่แท้จริงคนดีที่แท้จริงนี้ต้องมีความกตัญญูกตเวทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบิดามารดาผู้ให้กําเนิดแก่เราเพราะถ้าเราไม่มีบิดามารดาเราจะ ไม่เป็นตัวเป็นตนอย่างที่เราเป็นอยู่กันทุกวันนี้เราจะไม่มีร่างกายอยันนี้เมื่อไม่มีร่างกายอยันนี้เราก็จะไม่สามารถทําสิ่งอะไรต่างๆทั้งหลายได้ดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญต่อบิดามารดาอย่างยิ่งควรให้ความยกย่องเคารพเชเชิดชูเทิดทูนบูชา อยู่เหนือเสียงกล้าวให้เราถือว่าพ่อแม่เป็นพระอาหารหันต์เป็นพระภรมของเราการที่เราได้ทำความดีได้รับใช้พ่อแม่ได้ดูแลพ่อแม่ได้ช่วยเหลือพ่อแม่ถือว่าเป็นการทำบุญกับพระอาหารหันต์คนที่ไม่มีความกตัญญูกตวเวทีนี้ จะเป็นคนที่แย่กว่าสุนักเพราะอย่างน้อยสุนักเขาก็ยังมีความกตันยูกะตะเวทีเขามีความสำนึกในบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณเช่นคนที่เลี้ยงเขาเขาจะรัดเขาจะปกป้องรักษาป้องกันเขาจะคอยเหาคอยขับไล่คนที่จะมา สร้างความไม่ปลอดภัยให้แก่เจ้าของแต่ความกระตันยูของสุนัขนี้ไม่สูงเท่ากับความกระตันยูของมนุษย์เพราะสุนัขนี้เขาไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่เขาเขาไม่มีใครสอนนั่นเองเพราะเขาไม่มีภาษาที่จะพูดที่จะสอนกันได้ เขาจึงไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ของเขาเขารู้แต่คนที่เลี้ยงเขาเท่านั้นใครเลี้ยงเขาเขาก็จะมีความสำนึกในบุญคุณของคนที่เลี้ยงเขาแต่เขาจะไม่มีความสำนึกในบุญคุณของพ่อของแม่เขาเพ่อเขาไม่มีสติปัญญาสูงเท่ามนุษย์นั่นเอง มนุษย์นี้ที่ถือว่าฉลาดกว่าประเสริฐกว่าเดรัฉานก็อยู่ตรงที่มีสติปัญญามีความสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรใครเป็นใครสามารถแยกแยะพ่อแม่จากบุคคลอื่นๆได้รู้ว่าพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณแก่ตนอย่างยิ่ง พระคุณของพ่อแม่นี้มีมากมายและไม่มีการที่จะลบล้างให้หมดไปได้ความเป็นพ่อเป็นแม่นี้จะไม่มีความสิ้นสุดไปไม่ว่าพ่อแม่จะเป็นอะไรก็ตามพ่อแม่จะเป็นคนดีก็ยังเป็นพ่อแม่ของเราอยู่พ่อแม่จะเป็นคนไม่ดีไปติดคุกติดตาราง <c oughs> ก็ยังเป็นพ่อแม่ของเราอยู่ เราเป็นลูกเราก็ต้องมีหน้าที่ดูแลพ่อแม่จะปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่ของเราไม่ได้ถึงแม้พ่อแม่จะเป็นคนไม่ดีโหดร้ายทารุณกับเราก็ตามแต่ความไม่ดีของพ่อแม่นั้นก็จะไม่สามารถมาลบล้างความเป็นพ่อแม่ของเราได้ดังนั้นขอให้เรา ล้ำลึกถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่อยู่เสมอขอให้เราคิดว่าถ้าไม่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็จะไม่มีเราจะไม่มีวันนี้ได้ดังนั้นเราจึงไม่ควรลืมพระคุณของคุณพ่อคุณแม่มีมากมีน้อยก็ขอให้เราแบ่งไปให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยให้คุณพ่อคุณแม่อยู่สุขสบายเหมือนเรา อย่าให้เราอยู่สุขสบายกับคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้แสดงว่าเราไม่มีความกตัญญูเราต้องให้คุณพ่อคุณแม่อย่างน้อยก็อยู่สุขสบายเท่าเราหรือไม่เช่นั้นก็ต้องอยู่สุขสบายมากกว่าเราถ้าเราทําอย่างนี้ได้เราก็จะเป็นคนดีเราจะเป็นคนที่มีคนยกย่องสรรเสริญมีคน ยินดีที่จะคบค้าสมาคมมีคนยินดีที่จะช่วยเหลือเรานี่คือความดีที่พวกเราควรที่จะปลูกฝังเอาไว้อยู่ในตัวของเราและกับลูกหลานของเราด้วยการทำตัวเราเป็นตัวอย่างถ้าเรามีความกตัญญูกต่อพ่อต่อแม่ของเรา ต่อไปลูกเขาก็จะมีความกตันยูต่อเราถ้าเราไม่มีความกตัญยูต่อพ่อต่อแม่ลูกเราก็จะไม่มีความกตัญยูไปดูสังคมของคนที่ไม่มีความกตันยูกันเราจะเห็นว่าเขาทอดทิ้งพ่อแม่กันจะไม่อยู่ดูแลพ่อแม่ปล่อยให้พ่อแม่อยู่ตามบ้านคนชรา แล้วตัวเขาเองเวลาที่เขาแก่เท่าลงไปเขาก็จะถูกลูกทอดทิ้งเช่นเดียวกันเพราะไม่มีการสั่งสอนไม่มีการกระทาเป็นตัวอย่างนั่นเองแต่สังคมของไทยเหล่านี้เป็นสังคมที่มีธรรมะมีคำสอนอันประเสริฐของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอน ให้พวกเราทั้งหลายมีความกตัญญูกัน <c oughs> สงสอนให้เราเห็นพ่อแม่เป็นเหมือนพระ อ, อรหันต์เป็นพระพรองการได้ทำบุญกับพ่อกับแม่ถือว่าได้ทำบุญกับพระ อ, อรหันต์คือได้บุญมากนั่นเองได้บุญมากกว่าการมาทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าในวันนี้ดังนั้นก่อนที่เราจะออกไปทำบุญข้างนอกบ้าน ขอให้เราทำบุญกับพระอาหารหันต์ในบ้าทของเราก่อนอย่าทอดทิ้งอย่าลืมพระอาหารหันต์ของเราไปแล้วเราจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดได้อย่างพระพุทธเจ้าก็ทรงมีพระความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระมารดาของพระพุทธเจ้าถึงแม พระมารดาจะตายไปแล้วไปเกิดอยู่บนสวรรค์พระพุทธเจ้ายังทรงตามเสด็จไปโปรดบนสวรรค์ไปทรงสั่งสอนพระธรรมให้แก่พระมารดาจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งเป็นผู้ที่ไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปนี่คือการทดแทนบุญคุณที่สูงสุด ถ้าเราสามารถสั่งสอนให้พ่อให้แม่ได้หลุดพ้นจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตได้ก็ถือว่าเราได้ทดแทนบุญคุณของพ่อของแม่ได้อย่างเต็มที่แต่การที่จะไปสอนพ่อสอนแม่นี้ก็ต้อง อยู่ที่พ่อแม่ว่าท่านยินดีจะให้เราสอนหรือไม่ถ้าท่านไม่ขอร้องให้เราสอนเราไม่ควรไปสอนเพราะจะเป็นการเสียมารยาทลูกไม่ควรที่จะสั่งสอนพ่อแม่หรือเถียงกับพ่อแม่เวลาพ่อแม่พูดอะไรขอให้ถือว่าพ่อแม่กำลังสั่งสอนลูกมีหน้าที่ฟังอย่างเดียว ยกเว้นลูกที่เป็นลูกที่ฉลาดเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านจะรู้จักวิธีสั่งสอนพ่อแม่ท่านไม่ได้สอนด้วยการพูดท่านจะสอนด้วยการประพฤติก่อนประพฤติตนให้เป็นคนดีให้ท่านเกิดศรัทธาความเลื่อมใสแล้วต่อไปท่านก็จะขอให้สอนไปเองนะ อย่างพ่อของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชแล้วปฏิบัติอยู่ถึงหปีพ่อก็ไม่เคยไปนิมนต์ให้กลับมาอยู่ในวังหรือให้มาสอนแต่พอพระพุทธเจ้าตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพ่อก็เกิดศรัทธาขึ้นมาไปนิมนต์ให้ไปโปรดในวังไปสั่งไปสอนพ่อและ พี่น้องทั้งหลายให้มีดวงตาเห็นธรรมให้บรรลุธรรมให้หลุดพ้นจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายกันนี่คือวิธีการที่สั่งสอนผู้อื่นต้องเกิดจากศรัทธาของผู้อื่นเราไม่ควรไปสั่งสอนผู้ที่เขาไม่มีศรัทธาในคำสั่งสอนของเราเพราะจะเสียเวลา ท่านเปรียบเหมือนกับลดน้ําใส่หลังสุนัขสุนัขนี้มันจะไม่ชอบน้ําลองสังเกต ด, ดูลองฉีดน้ําใส่ไปในตัวสุนัขมันจะสะบัดทิ้งไปหมดเลยเช่นเดียวกับการสั่งสอนผู้อื่นถ้าสั่งสอนกับคนที่เขาไม่ศรัทธาเขาไม่เชื่อเขาจะไม่ฟังนะเขาจะโต้เถียง เราจึงไม่ควรที่จะไปสั่งสอนคนที่เขาไม่เชื่อไม่ฟังเราถึงแม้เราจะมีความปราถนาดีว่าตานแต่ถ้าเขาไม่เชื่อไม่ฟังแล้วสอนไปทำไมให้เสียเวลาเาปล่าๆเสียน้ำลายไม่เกิดประโยชน์อะไรและกลับจะเกิดโทษขึ้นมาเพราะเขากลับจะโกรธจะเกลียดเรา ดังนั้นเวลาที่เราจะสั่งสอนผู้ใดขอให้เราสังเกตดูว่าเขาเชื่อฟังเราหรือไม่ถึงแม้เขาจะเป็นลูกเราก็ดีเป็นสามีเราก็ดีภรรยาเราก็ดีเพื่อนเราก็ดีถึงแม้เราจะมีความปรารถนาดีต่อเขาเห็นว่าเขากำลังทาอะไรที่เสื่อมเสียที่จะเกิดโทษกับตัวเขาแต่ถ้าเราพูดแล้ว เขาไม่มีความยินดีที่จะรับฟังเราก็ต้องหยุดถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวจะต้องทะเลาะกันหรือจะต้องตีกันอย่างแน่นอนนี่คือการสั่งสอนเราต้องระมัดระวังพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าให้เราสอนตัวเราเองจะดีกว่าสอนคนอื่นประโยชน์ก็ตกอยู่กับคนอื่น แต่สอนตัวเรานเองประโยชน์จะตกที่ตัวเราดูที่ตัวเราดีกว่าดูว่าเราบกพร่องอะไรหรือไม่เราทำอะไรเสียหายหรือไม่เช่นเรากำลังเดินมสุราอยู่หรือเปล่าเรากำลังติดบุหรี่อยู่หรือเปล่าเรากำลังติดการเที่ยวกลางคืนอยู่หรือเปล่าเรากำลังติดการเล่นการพนันอยู่หรือเปล่าเรามีความเกลียดคร้านอยู่หรือเปล่า ถ้าเราเห็นว่าเรามีสิ่งเหล่านี้เราควรที่จะสอนตัวเราว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีมันไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เราเจริญก้าวหน้าแต่จะเป็นเหตุที่จะทำให้เราตกต่ำจะทำให้เรากลายเป็นคนไม่ดีไปได้นี่คือสิ่งที่เราควรจะสอนคือสอนตัวเราก่อนสอนตัวเราแล้วทำให้ได้ก่อน ก่อนที่เราจะไปสอนคนอื่นเหมือนกับเราสอนลูกเราเราไม่อยากให้ลูกสูบบุหรี่ไม่อยากให้ลูกดื่ ม, มสุราแต่ตัวเราเองยังดื่มสุรายังสูบบุหรี่อยู่สอนไปอย่างไรก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะเขาไม่ดูเขาไม่ฟังคำพูดของเราเขาจะดูการกระทาของเรามากกว่าถ้าเราสอนผู้อื่นให้เขาทาสิ่งนั้นสิ่งนี้ แต่เราเองยังทำไม่ได้ก็ป่วยการอยากไปสอนให้เสียเวลาเขาจะไม่เกิดศรัทธาเขาจะไม่เชื่อแต่ถ้าเราทำได้แล้วเราสอนเขาเขาจะเชื่อเราถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถทาตามได้อย่างน้อยเขาก็ยังจะมีความศรัทธาในตัวเราและเขาจะพยายามทำต่อไปจนกว่าเขาจะทำได้ พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าสิ่งทั้งคำพูดของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกคํามีเป็นคําสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทํามาแล้วทั้งนั้นไม่มีอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทํามาก่อนแล้วเอามาสอนผู้อื่นส่งสอนให้ตัดความโลภความโกรธความหลงพระองค์ก็ทรงตัดความโลภความโกรธความหลงได้แล้วส่งสอนให้ทําบุญให้ทานพระองค์ก็สสทรงทําบุญให้ทานมาแล้ว ส่งสอนให้รักษาศีลพระองค์ก็รักษาศีลได้แล้วส่งสอนให้ปฏิบัติธรรมให้ไปอยู่ตามป่าตามเขาไปหาความสงบของจิตใจพระองค์ก็ทรงธรรมมาได้แล้วจึงค่อยเอามาสั่งสอนผู้อื่นคําพูดของพระพุทธเจ้าจะมีน้ําหนักมากสามารถโน้มน้าวจิตใจของผู้อื่นได้อย่างง่ายดายใครได้ฟัง ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมาและน้อมเอาไปปฏิบัติจนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดได้มีเป็นจํานวนมากกลายเป็นพระอรหันต์ตัศววงเป็นสารณะที่พึ่งคือสังขังสารนามกชามิให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายได้เป็นจํานวนมากนี่เกิดจากการ สอนตนเองก่อนพระพุทธเจ้าไม่สอนใครเลยในขณะที่ทรงปฏิบัติอยู่ถึงหปีด้วยกันเพราะตอนนั้นมุ่งไปที่การสั่งสอนตนเองเมื่อสั่งสอนตนเองจนสําเร็จแล้วจึงได้อุทิศเวลาที่เหลือของชีวิตอยู่45หปีด้วยการด้วยการ น, นี้สั่งสอนผู้อื่นกิจวัตรของพระพุทธเจ้าประจําวันนี้ มีอยู่ห้าข้อด้วยกันเรียกว่าพุทธกิจห้าซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการสั่งสอนผู้อื่นเป็นส่วนใหญ่คือในตอนบ่ายพระพุทธเจ้าจะทรงสอนสัธธาาตยาิโยในตอนค่ำจะสอนพระภิกษุสา ม, มเณรในตอนดึกจะสั่งสอนเทวดาและในตอนเช้าก่อนที่จะออก บินทบาจะทรงเรยงยานดูว่าวันนี้จะไปสอนไข่ไปโปรดไข่ไข่ที่จะมีความพร้อมที่จะรับคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะมุ่งไปโปรดคนนั้นในขณะที่ทรงออกบินทบานี่คือกิ จ, จวัตรประจําวันของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นการโปรดสัตว์เป็นการสอนธรรมะให้แก่สัตว์โลก ช่วยเหลือให้สัตว์โลกมีการหลุดพ้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเป็นจํานวนมากจนถึงปัจจุบันนี้พวกเราทุกคนนี้ก็ได้อาศัยบุญบารมีของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ เรื่องเวียนว่ายตายเกิดเพราะเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้ดวงตาภายในคือต้องมีปัญญามีมีญาณถึงจะเห็นได้ถึงจะรู้ได้และการที่จะมีญาณมีปัญญาได้ก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติธรรมเท่านั้นซึ่งพวกเราเป็นคารวะจะไม่มีความสามารถ พอที่จะปฏิบัติได้เราจึงต้องอาศัยผู้ที่มีญาณ oh. เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นผู้คอยบอกทางให้แก่เราบอกให้เรารู้ว่าเราตายแล้วเรายังไม่สิ้นสุดเรายังไปต่อร่างกายเราตายแต่ตัวเราไม่ตายตัวเราก็คือใจนี้ไม่ตายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือของเราตัวเราก็คือใจใจเมื่อจากแยกออกจากร่างกายแล้วก็กลายเป็นดวงวิญญาณไปดวงวิญญาณที่ไปหาร่างใหม่ต่อไปไปเกิดใหม่ตามอำนาจของบุญของกรรมที่ได้ทำไว้ถ้าทำกรรมไว้มากก็ต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือไปตกนรก ถ้าทำบุญไว้มากก็จะไปสวรรค์ไปเป็นเทพเป็นพรหเป็นพระอริยะเจ้าหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิม น, นี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราที่พวกเราไม่รู้กันแต่พวกเรากลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆอย่างชาตินี้เราก็กลับกันมาเกิดใหม่เราตายจากชาติก่อนเราก็กลับมาเกิดใหม่ แต่เราไม่รู้ว่าเรามาจากที่ไหนกันเพราะเราไม่มีชาไม่มียานไม่มีปัญญานั่นเองต้องมีคนอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกที่มียานมีปัญญานี้มาคอยสอนเราดังนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือเราต้องเชื่อเราต้องมีศรัทธาเพราะเราเป็นเหมือนคนตาบอดถ้าเราไม่เชื่อคนตาดีแล้วเราจะไปเชื่อใคร ถ้าเราเชื่อตัวเราเองเราก็จะต้องเดินไปตกหลุมตกบ่อเดินไปชนเสาเดินไปให้สิ่งนั้นสิ่งนี้กัดกินอย่างแน่นอนเพราะเรามองไม่เห็นนั่นเองว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าเราจึงต้องอาศัยคนที่มีตาเป็นคนพาเราไปคนที่มีตาก็คือพระพุทธตามพระสงฆ์นี่เองที่พวกเรากราบไหวบูชาถือเป็นสารณะเป็นที่พึ่ง ขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนเชื่อพระอริยสงสากแล้วเราจะไม่ผิดหวังเราจะได้รับแต่สิ่งที่ดีที่งามเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ตามลำดับต่อไปดังนั้นจึงขอให้พวกเราจงเข้าหาพระศาสนายึดพระศาสนาไว้เป็นที่พึ่งของเราอย่าท้อแท้ อย่าเบื่อไายกับพระศาสนาซึ่งบางครั้งบางคราวอาจจะมีภาพที่ไม่ดีที่มาทําให้ศาสนาเรามัวหมองไปได้แต่ขอให้เราแยกออกไปว่าถ้าศาสนานี้เป็นสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ประเสริดเลิศโลกไม่มีใครจะสามารถทําให้มัวหมองได้แต่ คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับศาสนานี้ก็จะเป็นผู้ที่สร้างความเศร้าหมองหรือมัวหมองแต่ศาสน า, าไม่ได้มัวหมองคนที่มาทำนั้นเป็นผู้ที่มาทำให้ตัวเองเศร้าหมองหรือไม่ไมสวยงามขอให้เราจงแยกแยะว่าบุคคลกับศาสนานั้นคนละส่วนกัน เช่นคนที่มาบวชแล้วประพฤติตนไม่ดีไม่งามก็ขอให้เราคัดออกไปแยกออกไปออกจากพระศาสนาพ ร, พระศาสนานี้เป็นคำสอนที่ดีที่สะอาดบริสุทธิ์มาตลอดไม่เศร้าไม่มัวหมองไปกับคนที่มาเกี่ยวข้องด้วยเราต้องรู้จักแยกแยกคนที่มาบวชแล้วทำตนไม่ดีเราก็ตัดเขาไปอย่าไปสนใจอย่าไปให้ความสำคัญ อย่าไปนับถือยกย่องสรรเสริญปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาเขาต้องใช้เวงใช้กรรมของเขาไปเองในที่สุดขอให้เรายึดหลักของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้ก็พอคือเราต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจะเลือกไว้ในพระไตรปิฎกเป็นหลักส่วนผู้อื่นที่มาเกี่ยวข้องกับพระศาสนาเขาดีเขาชื่อเราก็ต้องรู้จักแยกแยะ อย่าไปให้เขามาทำให้เราเสื่อมศรัท ธ, ธาในพระพุทธพระธรร ม, มพระสงฆ์เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพระาศาสนาก็ตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ยังสะอาดบริสุทธิ์เหมือนเดิมเป็นที่พึ่งของเราได้เหมือนเดิมอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมา ทำบุญในวันสงกรานต์มาแสดงความกตัญญูกตวเวทีทำบุญอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บิดามันดาผู้มีพระคุณทั้งหลายให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแกเรารา่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้